บทที่10คุณหญิงประทุมทิพย์วันรุ่งขึ้นคุณหญิงประทุมทิพย์มาเยี่ยมท่านพระครูที่โรงพยาบาลเธอมากับบุรุษวัยกลางคนและเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักอายุราวสามขวบขณะที่คุณหญิงกับบุรุษนั้นทําความเคารพท่านพระครู ด้วยการกราบเป็นจางปับปดิดหนูน้อยก็ทำตามและกราบได้สวยงามจนท่านพระครูออกปากชมเก่งมากจ้าหนูใครสอนจ้ะคุณแม่สอนเจ้าค่ะเด็กหญิงตอบฉะฉานคุณหญิงไปแอบมีลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านพระครูสัพพยอกท่านรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้คือลูกรัฐมนตรีกับเด็กสาว ที่คุณหญิงเคยคิดจะเอาน้ำกรดไปสาดเพราว่าท่านขอบินทบาทไว้ก็อย่างที่ท่านเคยทำนายไว้นั่นแหละค่ะว่าดิฉันจะมีลูกตอนแก่แล้วก็จะรักและหลงเอามากๆดิฉันยอมรับค่ะว่าหลงยญยหนูนี่มากแกน่ารักไม่ดื้อไม่สนไม่งองแงว่านอนสอนง่ายใช่ไหมลูกประโยคสุดท้ายเธอถามหนูน้อย ค่ะคุณหญิงแม่หลวงปู่เจ้าคะคุณหญิงแม่ของหนูนอกจากจะสวยแล้วยังใจดีอีกเจ้าคะ่ะอย่างงั้นเหรอจ๊ะแล้วหนูรักคุณแม่ไหมจ๊ะรักที่สุดในโลกเลยเจ้าคะ่ะรักมากกว่าคุณพ่อเพราะว่าคุณพ่อเอาแต่นอนไม่เคยลุกมาเล่นกับหนูเลยเด็กหญิงพูดจาอย่างไร้เดียงสาแกไม่รู้หรอกว่าพ่อป่วย เป็นอมพาสเพราะเสียใจที่แม่บังเกิดกล้าวของแกหนีตามชายชู้ไปคุณหญิงจึงรายงานว่าตั้งแต่เด็กคนนั้นหนีไปกับชายอื่นเขาก็ล้มป่วยเป็นอมพาสเลยค่ะดิฉันอยากให้ผู้ชายเจ้าชู้ประตูดินเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดทุกคนเป็นอมพาสตอนแก่แล้วก็ไม่มีใครดูแลให้นอนทรมานอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าจะตาย คุณหญิงยังไม่หายเคืองแค้นหลวงพ่อครับผมมีเรื่องจะเรียนปรึกษาครับตายจริงดิฉันลืมแนะนำนี่คุณคาชาญาติห่างๆของดิชันค่ะเขาถูกคุณหญิงซึ่งเป็นเพื่อนของดิชันยักยอกบุตรารคมราคาตั้งสามล้านคุณหญิงปทุมทิพย์กราบเรียนเรื่องไปยังไงมายังไงล่ะไหนลองเล่าให้อัตมาฟังสิ แม้จะอยู่ในภาวะอ า, าพาธเจ็บป่วยหากท่านก็มีจิตเมตตาต่อผู้ที่กำลังอยู่ในห่วงทุกข์เพียงเห็นหน้าท่านก็รู้ว่าเขากำลังแบกทุกข์หนักอึ้งจนกินไม่ได้นอนไม่หลับคือผมกับเพื่อนอีกสองคนมีอาชีพค้าพลอยเมื่อเดือนที่แล้วผมก็ไปซื้อพลอยที่จังหวัดจันทบุรีด้วยกันก็ไปพบบุรน้าโขงสวยมาก เจ้าของเขาขายมาสามล้านเราจึงลงขันกันคนละล้านซื้อมาคิดว่าขายสักสี่ล้านห้าก็จะได้กำไรคนละห้าแสนโอ้โหแพงขนาดนั้นเชียวรอึอาตมานึกว่าแค่เพชรราคาเป็นล้านพลอยก็ราคาเป็นล้านเหมือนกันหรือพลอยสวยๆราคาแพงกว่าเพชรอีกนะคะท่านทับทิมสยามทะน้ำงางาม ก็แพงกว่าเพชรที่น้ำไม่งามค่ะคุณหญิงช่วยสนับสนุนอย่างนั้นหรอกหรือแม้อาตมาก็ไม่เคยซื้อเพชรซะด้วยสิพรอยก็ไม่เคยซื้อเลยไม่รู้ว่าพรอยแพงกว่าเพชรก็มีและโยมไปทำยังไงถึงถูกคุณหญิงยักยอกไปละ่ะคือแกโทรเรียกให้ผมไปให้แกดูที่บ้านครับผมกับเพื่อนอีกสองคนก็ไปกัน แกบอกว่าจะเหมาทั้งชุดเลยจะเอาไปทําตังหูสร้อยแล้วก็แหวนพวกผมก็บอกราคาไปว่าสีล้านห้าแกไม่ต่อแต่ขอคิดดูก่อนและบอกให้ทิ้งของไว้ที่แกอีกสามวันมาฟังข่าวว่าแกจะซื้อหรือไม่พวกผมก็มองตากันเพราะราคาแพงแกก็รีบบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าแกจะโกง เพราะแกเป็นถึงภริยารองนายกรัฐมนตรีพวกผมก็ค่อยเบาใจแล้วก็ทิ้งของไว้กับเขาพอครบสามวันก็โทรไปถามคนรับสายก็บอกว่าคุณหญิงไม่อยู่โทรไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้รับคำตอบแบบเดียวกันพวกผมจึงตัดสินใจบุกไปถึงบ้านและเจอไหมเจอครับแกทำหน้าตกใจ ผมก็ถามว่าคุณหญิงตัดสินใจหรือยังถ้าไม่ซื้อผมก็จะขอของคืนแกก็พูดว่าของอะไรฉันไม่รู้เรื่องพวกผมแทบช็อกเมื่อได้ยินแกพูดอย่างนี้คุณคชาเข้ามาปรึกษาดิฉันค่ะเขาอยากให้ดิฉันช่วยพูดเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนกันดิฉันไม่กล้าหรอกค่ะดีไม่ดีเขาจะฟ้องดิฉันข้อหาหมิ่นประมาทแน่นอน ถ้ากูหญิงไปพูดก็ต้องถูกข้อฟ้องแน่ดีแล้วที่ไม่ไปท่านพระครูตอบโดยไม่ต้องใช้เห็นหนอแล้วผมจะทำยังไงถึงจะได้ของคืนล่ะครับหลวงพ่อเจ้าของพลอยรู้สึกผิดหวังไม่ได้คืนหรอกโยมตอนนี้คุณหญิงเข้าเอาไปให้ร้านเพชร ที่เขาขาประจำอยู่เป็นเครื่องประดับแล้วโยมต้องปรงให้ได้ถึงยังไงก็ไม่ได้คืนอาตมารู้ว่ายมเสียใจแล้วก็เสียดายถ้าอาตมาเป็นโยมก็ต้องเสียดายเหมือนกันเพราะเงินสามล้านไม่เช่ว่าหาได้ง่ายงแต่เชื่ออาตมาสักหน่อยนะให้เขาโกงเราดีกว่าเราไปโกงเขาเขาโกงเราเขาก็บาป เราโกงเขาเราก็บาปฉะนั้นให้เขาบาปหนะดีแล้วถ้าผมจะจ้างมือปืนไปยิงมันผมจะบาปไหมครับบุรุษไวกลางคนอยากจะแก้แค้นเขาเรียกคุณหญิงยักยอกว่ามันบาปแน่นอนอย่าได้จองเวรกับเขาเลยโยมเชื่ออาตมาเถอะเขากโกงเราไปเขาก็ไม่มีความสุขกรอก ตอนนี้เขากำลังกังวลว่าจะต้องมีคนร่วมรู้การกระทำของเขาพอคิดหนักเข้าก็เกิดความเครียดพอเครียดก็เลยเป็นโรคมาเร็งเขาจะต้องทุกทรมานกับโรคร้ายซึ่งเงินสามล้านช่วยอะไรไม่ได้เลยคนทำบาปก็ต้องได้รับบาปคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้เขาก็ต้องได้รับโยมไปบอกเพื่อนอีกสองคนให้ทำใจนะยกให้เขาไป ถ้าทำใจได้โยมจะรวยยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าทำใจไม่ได้กิจการค้าจะล้มเหลวขัดทุนขาดรอนจนถึงหมดเนื้อหมดตัวเวละได้ฟังคำพูดของท่านพระครูในคชาค่อยสบายใจขึ้นนิดหน่อยนึกไปถึงความหลังที่เขากับเพื่อนอีกสองคนต้องวิ่งหาเงินกันกว่าจะได้ครบสามล้าน ต้องพินอบพิทาพูดกับคุณหญิงท่านอย่างโน้นอย่างนี้คาพูดที่คุณหญิงพูดกับเขาว่าฉันเป็นถึงภรรยารองนายกรัฐมนตรีของแค่นี้ฉันไม่โกงหรอกกระทั่งประโยคสุดท้ายที่ว่าของอะไรฉันไม่รู้เรื่องซึ่งทำให้เขากับเพื่อนทัดช็อกจนต้องไปวานคุณหญิงประทุมทิพย์พามาหาพระอรหรันเขาเห็นจริงกับคาพูดท่าน ว่าถ้าเขาทำใจไม่ได้กิจการค้าก็ล้มเหลวเขาจะต้องทำใจให้ได้เขาจะต้องรวยยิ่งกว่าเดิมหลวงพ่อครับผมจะทำอย่างไรจึงจะทำใจได้ล่ะครับนายขุนทองเข้ามาพอได้ยินพอดีจึงตอบเขาว่าต้องมาเข้ากรรมฐานฮะใครมีปัญหามาปรึกษาหลวงลุงของหนูแล้วก็เป็นต้องจับเข้ากรรมฐานหมด แม่จวนทำตาเขียวใส่ล้านแต่คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงกลับทำเป็นไม่เห็นคุณหญิงปทุมทิพย์เจอคู่ปรับเก่าจึงค้อนให้ทีหนึ่งอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเสเลยหลวงปู่เจ้าคะคนนี้เขาเป็นใครทำไมจึงพูดแสงขึ้นมาขณะที่ผู้ใหญ่คุยกันแบบนี้เขาเรียกว่าคนไม่มีมารยาทใช่ไหมเจ้าคะเด็กหญิงวัยสามขวบพูดขึ้น ผู้คนที่นั่งอยู่นั้นพากันอมยิ้มที่ผู้ใหญ่ถูกเด็กตาหนิใช่แล้วหนูไงเจ้าขุนทองถูกเด็กว่าซะแล้วท่านเยอะเยะ้ยหลานชายที่กลายเป็นหลานสาวนี่เธอเธอน่าเป็นเด็กหัวเท่ากำปั้นถือดียังไงมาว่าผู้ใหญ่อย่างฉันยักษ์นายขุนทองตั้งหลักจะเล่นงานลูกสาวคุณหญิง ท่านพระครูต้องรีบห้ามทับขุนทองเธอไปถามหมอให้ทีสิว่าเมื่อไรฉันจะออกจากโรงพยาบาลได้คิดถึงวัดเต็มทีแล้วฮ้าฮ ห, หนูจะไปเดี๋ยวนี้ละหากขรับคำอย่างง่ายได้เพราะคิดดีแล้วว่าหากเถียงแพ้เด็กก็ต้องอับอายขายพักอีกอย่างก็ไม่ค่อยจะชอบหน้าคุณหญิงปทุมทิพย์สักเท่าไหร่ ล้านชายออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดเป็นงานเป็นการว่าวิธีทำใจที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติกรรมฐานโยมเข้ากรรมฐานสักเจ็ดวันออกมารวยแน่ข้อนี้อาตมารับประการท่านพูดตามที่เห็นเพราะเมื่อนยคชาเข้ากรรมฐานและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจิตใจจะสงบลงเมื่อจิตสงบปัญญาก็เกิด เมื่อปัญญาเกิดอะไรอะไรก็ดีไปหมดเงินก็ไหลนองทองก็ไหลามาถ้าอย่างนั้นผมจะมาเข้ากรรมาฐานครับแต่ก่อนจะเข้าผมขอแก้แค้นยายคุณหญิงตัวแสบก่อนผมจะประจานมันให้คุ้มกับเงินสามล้านท่านพระครูยังไม่ทันได้ออกปากห้ามปรามเขาก็หันไปทางญาติโยมประกาศด้วยเสียงอันดังว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลาย ผมถูกนางคุณหญิงโกงพลอยไปสามล้านมันเป็นเมียรองนายกรัฐมนตรีแต่มารังแกประชาชนคนเดินดินอย่างผมท่านจำชื่อมันไว้ว่าคนคนนี้ชื่อนามสกุลนี้หน้าด้านโกงคนอื่นซึ่งซึ่งหน้าต่อให้มันเป็นเมียนายกรัฐมนตรีมันก็ต้องตกนรกจำชื่อมันไว้นะครับนางคุณหญิง เขาเอ่ยทั้งชื่อและนามสกุลของคุณหญิงซึ่งท่านพระครูเห็นว่าคุณหญิงเสียชื่อเกินราคาของที่โกงเข้าไปซิอีกประกาศแล้วเขาก็กราวคำขอขมาต่อหน้าท่านพระครูและจึงกราบท่านสามครั้งเป็นยังไง หายแค้นหรือยังท่านพระครูถามรู้สึกปวดที่คอและคันที่ร่มเฟือกเพราะห้ามเขาไม่ทันหายไปเกือบหมดแล้วครับเข้ากรรมฐ า, านเจ็ดวันคงหายหมดเขาตอบตามตรงรู้สึกสบายใจที่ได้ระบายความแค้นก่อนลากลับในขชาได้ถวายปัจจัยท่านจำนวนหนึ่งพร้อมได้ผลไม้จากต่างประเทศกระเช้าใหญ่ คุณหญิงปฐุมทิพย์ก็ได้ถวายปัจจัยท่านเช่นกันเด็กหญิงวัยสามขวบกราบลาท่านอย่างสวยงามอีกครั้งคนทั้งสามลุกออกไปแล้วท่านพระครูจึงพูดกับญาติโยมว่าดูเอาเถอะเวลาอาตมาดีๆไม่มีใครมาถวายของกินเพราะอาตมากินไม่ได้กลับมีคนนำมาถวายเต็มห้องไปหมดทั้งข้าวของเงินทอง ของขบเคี้ยวแต่ก็ดีเหมือนกันพระลูกวัดเขาจะได้มีฉันอิ่มปากอิ่มท้องพระวัดจนมานานแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำแม่ชีดเจียนกับเพื่อนอีกสองคนก็เข้ามารายงานว่าหลวงพ่อข้าวสารหมดกะปิหมดน้ำปลาน้ำมันหอมกระเทียมก็หมดไม่มีอะไรเหลือ ฉันถึงต้องมาขอเงินหลวงพ่อตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ที่เนี่ยไม่มีคนไปทําบุญที่วัดเลยพวกเราอดอยากปากมองไปตามๆกันรายงานจบจึงพากันกราบสามครั้งนี่ขนาดอาตมาป่วยโยมยังมาขอเงินถ้าอาตมาตายพวกโยมไม่ต้องตายตามระนี่ท่านประชดก็คงต้องอดตายตามหลวงพ่อไปละจัะ่ แม่ชีเจียนตอบตามจริงและจึงพูดต่อไปอีกว่านะับเป็นบุญของพวกฉันและพระในวัดที่หลวงพ่อไม่มรณะภาพไม่อย่างนั้นพวกฉันคงแย่แน่ๆนใช่สิเป็นบุญของพวกโยมแต่เป็นกรรมของอาตมาดูเอาเถอะขนาดป่วยไข้ ย, ยังต้องหาเลี้ยงพวกโยมท่านบ่นไปอย่างนั้นเองบ่นแล้วก็บอกแม่จวนว่า โยมช่วยเอาเงินให้แม่ชีไปห้าพันด้วยแล้วก็มีคนมาปฏิบัติมากไหมประโยคสุดท้ายท่านถามแม่ชีก็มากพอสมควรจ้ะพวกฉันก็ทำอาหารเลี้ยงเข้าไปตามมีตามเกิดเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นก็ช่วยกันขนของที่คนเขาเอามาถวายนี่ไปเลี้ยงกันเอาไปให้หมดเลยพระอาตมากินไม่ได้ ไม่รู้เขาแกล้งเอามาถวายหรือเปล่าท่านพูดยิ้มยิ้มได้เงินแล้วแม่ชีก็ช่วยกันขนของกินและผละไม้ใส่รถของนายสมชายเพื่อนำไปเลี้ยงพระเนนแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมแม่ชีพากันลากกลับแล้วท่านจึงพูดกับญาติโยมในห้องว่าดูเอาเถอะญาติโยมเอ้ยขนาดอาตมาอาพาธจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอด ก็ยังต่อมารับผิดชอบปากท้องของลูกวัดใครไม่มาเห็นไม่มารู้หรอกว่าโหอกสมพานชอกช้ำระกรรมสวงเพียงใดญาติโ ย, ยมตั้งจิตอธิษฐานเลยนะเกิดชาติหน้าชั้นใดยอย่าได้มาเป็นสมพานเหมือนอย่างอาตมาท่านพูดยิ้มยิ้มแต่ถึงท่านใจยิ้มหากญาติโยมที่นั่งเบียดเสียดกันอยู่ในห้องต่างพากันยิ้มไม่ออกเพราะว่าสงสารท่านเหลือเกิน ไม่นึกไม่ฝันว่าพระอาหารหันต์จะตกละก ร, รมลำบากถึงปานนี้เสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดขึ้นว่าผมอยากสร้างสมบา ร, รมีอยากทำบุญกับพระอาหารหันต์ผมขอถวายปัจจัยสองพันบาทหากใครจะร่วมสร้างทานบา ร, รมีกับผมก็ขอเชิญเขาหยิบเงินในกระเป๋าสตางค์ออกมาสองพันบาทใส่ลงในถุงกระดาษแล้วชู ข, ขึ้นญาติโยมต่างเกิดศรัทธา จึงร่วมกันทาบุญคนละสิบบาทยี่สิบบาทใครมีมากก็ทำมากใครมีน้อยก็ทำน้อยและแล้วปัจใจก็ล้นถุงชั่วปริกตาวุรุษผู้เป็นคนต้นคิดถือถุงกระดาษคลานก็ไปหาท่านแล้วบอกให้ญาติโยมร่วมกันกล่าวคำถวายโดยเขาเป็นผู้กล่าวนำตั้งนโมสามจบพร้อมๆกันแล้วว่าตามผม ทุกคนตั้งนโมสามจบพร้อมกันเสียงดังกระหึมนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนางวะตะาเมทานังปุริสุทธิทานังอาสวะคยาวหังนิพพานังโหตุเปล่าคำถวายเสร็จบุรุษนั้นจึงประเคนถุงบรรจุปัจจัยแด่ท่านพระครู ภิกษุอาพาดรับและจึงกล่าวอนุโมทนากถาและพูดกับญาติโยมว่าอาตมาจะนําปัจจัยทั้งหมดที่ได้มานี้ไปใช้จ่ายในการสร้างคนอาตมาให้สัญญากับท้าเวสุวรรณไว้แล้วว่าหากอาตมายังใช้หนี้มนุษย์ไม่หมดขอให้อาตมาได้มีอายุยืนยาวต่อไปเพื่อใช้หนี้มนุษย์ให้หมดออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว อาตมาจะสร้างคนโดยการสอนวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นวิธีเดียวที่จะใช้นี่มนุษย์ใครที่เป็นเจ้าหนี้ของอาตมาขอได้โปรดพากันมาเข้ากรรมฐานให้อาตมาได้มีโอกาสได้ใช้นี่หมดนี่เมื่อไรอาตมาจะขอลาและไม่ขอกลับมาในโลกมนุษย์อีกแล้วทำไมหลวงพ่อไม่กลับมาอีกละคะโลกมนุษย์ไม่ดียังไงหรือ ยมอายุประมาณห้าสิบเศษถามขึ้นท่านพระครูจึงตอบว่าเพราะโลกมนุษย์เต็มไปด้วยคนขี้เกียจขี้โกงขี้อิจฉาริษยาแต่ไม่ใช่คนในห้องนี้นะเพราะคนในห้องนี้ดีทุกคนท่านพูดยิ้มยิ้ม ญาติโยมกําลังคิดว่าตนเองถูกว่าเลยโล่งใจแล้วก็ดีใจเพราะที่ท่านว่านั้นไม่ใช่คนในห้องนี้คงจะจริงอย่างที่ท่านว่านะคะเพราะขนาดเป็นถึงเมียรองนายกก็ยังขี้โกงน่าจะไว้หน้าผัวมั่งสตรีผู้หนึ่งให้ความเห็นผัวอาจจะโกงหนักกว่าเมียก็ได้เพราะถ้าผัวดี เมียก็คงไม่โกงไม่แน่นะต่ผัวอาจจะยุเมียให้โกงพลอยชุดนั้นก็ได้ใครจะไปรู้ผัวกันเมียกันทําอะไรก็ต้องรู้กันสตรีที่นั่งติดกับนางออกความเห็นคนที่นั่งติดอีกคนหนึ่งอดอวดบ้างไม่ได้ว่าหล่อนก็รู้จักคุณหญิงคนนั้นจึงเรียนท่านพระครูว่านอกจากที่โกงแล้ว ยังปากจัดอีกนะจ้าหลวงพ่อด่าเป็นไฟแลบเลยโยมรู้ได้ยังไงละ่ะหรือว่าเคยถูกเขาด่ามาแล้วท่านพระครูถามอย่างอารมณ์ดีท่านจะไม่บอกญาติโยมหรอกว่าเมื่อห้าปีที่ผ่านมาท่านเคยถูกคุณหญิงคนนี้ด่ามาแล้วโทษฐานที่ไปขัดคอสามีเขาที่อยากจะปฏิวัติ เขาไม่ได้ด่าฉันหรอกจ่ะหลวงพ่อเพราะฉันกับเขาไม่เคยรู้จักกันแต่ลูกชายเพื่อนบ้านเคยเป็นทหารรับใช้อยู่บ้านเขาเวลาเขาโมโ oh, หไม่ว่าคนขับรถหรือคนใช้เขาด่ายกตระกูลเลยจ่ะแต่ต่อนหน้าคนอื่นเขาก็จะทำเป็นผู้ดีนี่ลูกเพื่อนบ้านเขาเล่าให้ฉันฟังนะจ๊ะตอนแรกฉันก็ไม่อยากจะเชื่อ พระคิดว่าคนเขามีบุญวาสนาเป็นถึงเมียรองนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างนั้นได้ยัางไงาแต่พอมาได้ยินคุณคนนั้นแกมาบอกหลวงพ่อว่าถูกคุณหญิงโกงของไปราคาตั้งสามล้านฉันก็เลยเชื่อว่าแกร้ายจริงน่าสงสารคนที่มากับคุณหญิงนะแต่ฉันว่าเขายัางโชคดีนะที่ตอนเอาของไปให้ดูเขาชวนเพื่อนอีกสองคนไปด้วย เืนไปคนเดียวก็ต้องหาเงินมาใช้เพื่อนอีกสองคนด้วยเรียกว่าถูกโกงสามล้านรวดและแบบนี้คุณหญิงแกจะตกนรกไม่ครับหลวงพ่อบุรุษคนที่ประเค้นปัดใจถามเพราะอยากรู้ถามอาตมาไม่ได้หรอกเพราะอาตมาไม่ใช่โย ม, มาบาลถ้าโยมอยากรู้ก็ต้องไปถามโย ม, มาบาลโน่นท่านพระครูตั้งใจยวน เราอยากให้พวกเขาเลิกพูดถึงคุณหญิงผู้นั้นเสีทีป่านนี้คนที่ถูกพูดถึงคองท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวไปแล้วถ้าถึงขับต้องไปถามโยมาบาลผมก็ไม่อยากรู้หรอกครับที่ถามเพราะอยากรู้ตอนนี้ไม่อยากแล้วครับนายขุนทองไปนั่งรอในแพทย์สมมิงอยู่เป็นนานหากเขาก็ไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจด้วยว่ามีหมอหนมนมรอ เดินผ่านไปผ่านมาให้เขาได้ชมเป็นอาหารตาคลันได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องเขาก็จัดการฟ้องทันทีคุณหมอฮะถ้าทางหลงลุงของหนูจะไม่หายง่ายๆเพราะว่าพูดทั้งวันเลยแถมยังใช้ให้หนูมาเรียนถามคุณหมอว่าเมื่อไรจะได้กลับไปอยู่ที่วัดทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะถ้าอยากหายก็ต้องไม่พูดนะแล้วกัน ก็ญาติโยมมาชวนคุยทุกวันเลยฮะและหลวงลุงของผมก็เอ็นจอยกับการพูดเสียด้วยเขาพยายามใช้ภาษาฝรั่งในแพทย์สมมิ่งจึงหมุนโทรศัพท์ไปหาอาจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสินสวัสดีครับอาจารย์ผมสมมิ่งลูกศิษย์อาจารย์นะครับผมโทรจากโรงพยาบาลสิงห์บุรีอยากขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ครับ มีอะไรจะให้ช่วยก็ว่ามาเลยอาจารย์เอื้อเฟือสิทธิ์คือมีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านประสบอุบัติเหตุรถคว่มคอหักแต่ยังไม่ ม, มรณาภาพผมใส่เฝือกไว้หลายวันแล้วแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหายเพราะท่านพูดทั้งวันมีเคสแบบนี้ด้วยหรือเอาละพรุ่งนี้ช่วยพามาให้ผมดูหน่อยเดี๋ยวผมจะส่งรถพยาบาลไปรับนะ แปดโมงเช้ารถคงถึงขอบคุณครับพรุ่งนี้ผมจะพาท่านไปให้อาจารย์ดูสวัสดีครับ